ความสงบสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เพราะธรรมธาตุรู้ของเรายังมีอยู่ะฉะนั้นเราต้องสอดส่องดูโดยความรอบคอบ โดยความถูกต้องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าพาพระพุทธปฏิบัติมาไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำรรสักแต่ว่าปฏิบัติเอาแต่ความคิดของเราเอาแต่สิ่งที่เราชอบจะถูกทรรมหรือไม่ถูกทรรมจะเป็นไปเพื่อความ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 ถ้าจิตเห็นไม่ตรงการปฏิบัติก็ไม่ตรงจิตไม่เห็นไม่ชอบการปฏิบัติก็ไม่ชอบการกระทาก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นการตั้งจิตไว้ในที่ชอบเป็นสิ่งที่สาคัญ ในธรรมที่ถูกต้อในการภาวนามหาสติปัฏฐานท่านให้ตั้งสติอยู่ที่กายในกายที่ชื่อว่าสติระลึกชอบคือระลึกกายกายของเราก็มีอยู่สติของเราก็มีอยู่ยัง ขาดความเพียรพยายามถ้าเรายกจิตขึ้นสู่ความเพียรความพยายามระลึกกายในกายด้วยความเชื่อมัน่นด้วยความเพียรที่ชอบด้วยการระลึกชอบด้วยการตั้งไว้ในชอบคือกาย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 สิ่งที่ทนได้ยากจะต้องอดจะต้องทนจะต้องดิ้นรนแก้ไขเพราะทุกตัวนี้เองที่มาจากสมุทัยคือความหลงตัวโมหะที่เราไม่ได้พยายามแก้ไขให้หมดไปจากจิตใจของเราความหลงคือหลงอะไร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 มีประการต่างๆนี่ทำท่านว่าอย่างนี้เราไปหลงเข้าใจว่าเป็นไปเป็นของสะอาดน่านิยมชมชอบน่ายึดถือเข้าใจหลงเข้าใจว่าจะได้ความสุขนั่นแต่ตามทำทำท่านว่าไม่สะอาด เพราะฉะนั้นความเห็นของเรากับความเห็นในทางธรรมนั้นใครจะเป็นความจริงกว่ากันที่พระองค์ว่าไม่สะอาดกับเราเห็นว่าเป็นของสะอาดเราพิจารณาดูที่เราควรเชื่อตัวเองนึกควรเชื่อธรรมดูให้มันชัดอธิมัชมิงกายนั่น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 ที่มาถนุบำรุงต่างๆถ้าเราพิจารณาให้ชัดแล้วมันเป็นความจริงทพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมเห็นธรรมพระองค์ก็ได้สำรูจธรรมอันเป็นความจริงที่มีอยู่อยู่ทุกทกคนไม่ใช่ว่าไม่มีเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งปกปิด แต่เราแหละพยายามปกปิดไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอยากแต่สลัดนี้ไปรูปไปเห็นสิ่งอื่นตามความหลงเข้าใจผิดของเราเองถ้าเราพิจารณาตลอดเวลาต้องรู้ได้ต้องเห็นได้ต้องสงบได้การรู้ภายในกายตามความเป็นจริงที่ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาด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 ความยินดีความปรารถนาะความหลงไหลสร้างกรรมอันเป็นอกุศลได้เพราะฉะนั้นเราควรพิจารณาตามธรรมเราดูทุกส่วนมันสะอาดตรงไหนตั้งแต่เกสาผมมันล่วนแต่เป็นของไม่สะอาด ลอมาขนกล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดพิจารณาให้ละเอียดกว่านั้นอีกก็ได้เพื่อต้องการปัญญาละเอียดไทยชัดยิ่งขึ้นกว่านั้นอีกจนถึงผมมันหลุดร่วงออกไปมีประโยชน์อะไรมีแต่ตัดทิ้งตัดทิ้งมีแต่รังเกียบไม่มีของ ของสิ่งไหนที่จะเอาไว้สักอย่างไม่มีสิ่งไหนที่จะเจริญหัวเจริญใจยิ่งเนื้อ ย, ยิ่งหนังตลอดถึงกระดูกทุกส่วนแล้วถ้ามันกระจัดกระจายออกจากกันแล้วกลัวเคยอยู่ด้วยกันนับถือกันรักใคร่กันพอหมดลมอัศสาสะปัสสาสะแล้ว ร่างกายก็เปลี่ยนแปลงเอิกลิ่นก็เหมน็นทุกส่วนก็สกรปรกทั้งนั้นถูกหลอกกลัวผีหลอกไม่เป็นพี่ไม่เป็น น, อน้องแน่นี่เป็นความจริงไม่ใช่ลงทอดเราสามารถเพ่งพินิจพิจารณานอกจากเป็นของไม่สะอาดแล้ว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 ความเป็นธรรมเราจะได้เชื่อในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงกล่าวไว้ดีแล้วไม่มีผิดพลาดแต่เราหักหลงเราหักไม่รู้เราหักใฝ่ฝันเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นให้ดูให้มันชัดเพราะมันมีอยู่ เราอย่าดูแต่ด้วยตาถ้าเราดูด้วยตาแ่ะสิ่งที่เขาประดับประดาตกแต่งภายนอกก็เลยหลงถูกหลอกเขาเอาสิ่งอื่นมาทาให้หอมว่าสำคัญนะหอมมันถูกหลอกเข้ามาย่อมนี่ก็หลงไปตามอาการที่เขาตกแต่งหลอก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 จนเคยชินแล้วกันนึกว่าไม่รังเกียจแต่ถ้าพิจารณาโดยความจริงนะรู้วได้มาจากสกปรกแม้แต่ผักก็ต้องใส่ปุ๋ยของสกปรกขึ้นมาอกีกงอกงามโดยของสกปรกเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงสอนจึงกล้าพูดเต็มปากว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดพิจารณาดูเห็นชัดใจเท่านนั้นจะรู้ได้ส่วนตามันรู้ไม่ได้ต้องอาศัยการส่องไปในด้วยจิตใจแม้แต่อยู่ภายในก็ปกปิดไม่ได้จิตใจมันแทนตลอดได้ มันไปเห็นได้อดีตอนาคตมนก็รูได้จากความเป็นจริงด้วยเหตุด้วยผลมันรู้ได้เห็นได้และเชื่อได้เป็นความจริงได้ที่พระพุทธเจ้าสอนเหมือนกับท่านสอนให้พิจารณาในอภินหาปัจจุเวคคณะเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแต่เราซองดูด้วยใจเราเห็นได้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 ยังเห็นความตายที่ปกปิดที่ไม่ปรากฏด้วยตาที่เราไม่เข้าใจวัดตายถ้าพูดถึงความจริงแล้วเราตายทั้งแต่วัดเกิดพอเกิดมาปรากฏตั้งขึ้นมาแล้วก็ตายไปเรื่อยมันหมดไปหมดไปไม่ได้กลับคืนมานั่นเรียกว่ามันตายไปสิ้นไป เรตยกกะไคยะไยะทำ ม, มาคือเสื่อมไปและสิ้นไปหมดไปนี่ก็เป็นความตายประเภทหนึ่งเ อ, อที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเราเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออก น, นัพวกเราใครบ้างเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกเห็นแต่เราเป็นเห็นแต่เรา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 ที่มันหมดไปเราจึงเสริมขึ้นอีกเพื่อให้มันอยู่ได้ถ้าเราไม่กินลงไปมันหมดเหนียวแห้งไปจริงๆยิ่งอดไปนานก็ยิ่งเลือดติดหนังติดกระดูกหมดด้นานไปด้านเอกแลมันก็จะพุพังจริงๆรเพราะมันไม่แต่หมดไ ม, ไม่มันไม่มีเกิดมไม่มีทางบำรุงท่านว่าชีวิตนี่เปรียบเหมือนแสงไฟ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 นี่มันมีเชื่อที่มันลุกขันสมันเสมอที่เราไม่เห็นว่ามันดับชีวิตของเราก็เหมือนกันมดทุกลมหายใจเข้าออกหมดไปหมดไปจริงๆนี่พระพุทธเจ้าพระองค์จึงสลดสังเวชเบื่อหน่าย เ, าเห็นไม่จรังยั่งยืนของอัตภาพเต็มไปด้วยของไม่สะอาดสก ป, ปรก หน้าเบื่อหน่ายเหลืออดเหลือถนพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงจิตต้องสงบต้องสะอาดต้องผ่องใสแต่พิจารณาไม่ถึงลมันหลงแล้วมันเพลินเลื่อนลอยไปต่างๆด้วยอำนาจแห่งความหลงคือสติ ของเราที่เราฝึกยังไม่เป็นมหาสติยังไม่มีฐานตั้งมั่นพอที่จะนะลึกให้ชัดพอเพราะฉะนั้นต้องเพียรพยายามสมาธิของเราก็ยังไม่มั่นพอเมื่อสมาธิไม่มั่นปัญญาสอดสองก็ไม่แจ้งชัดไม่แทนตลอดเมื่อเทิบไม่ผ่องใส โดยเกิดความสงสัยไม่แน่ใจในทางธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าขอเราทั้งหลายเพียรพยายามตั้งใจพิจารณาให้เห็นจริงความจริงมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่กระจ่างแจ้งในจิตใจของเรา ส่งเพ่งแล้วเพ่งอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเรียกว่าภาวิตโตบาลิกโตทําให้มากเจริญได้ยิ่งเจริญไปทําไปทําไปมันต้องรู้แหละมันต้องเห็นมันต้องชํานาญต้องฉลาดถ้าเราไม่ลดละต้องสลดสงเวทต้องเบื่น่ายต้องได้ความสงบได้ความสุข เห็นอนในสงของการนับถือประพุทธศาสนามีศรัทธาเชื่อมั่นเพิ่มกำลังจิตใจยอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นให้พยายามตั้งใจภาวนาสมควรแก่เวลาแล้วจึงเริ่มพร้อมกัน